ในสามแดนโลกธกาตุนี้ไม่มีอะไรมีกำลังมากกว่ากิเลสไปได้ดังที่กล่าวมาสักครู่นี่มันมีอำนาจดึงดูดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกเพราะว่าโลกดึงดูดวัตถุเล็ก กึง ด, ดูดตามความเล็กความใหญ่วลตถุใหญ่เท่าไรยิ่งดึงดูดมากเรายกไม่ขึ้นเพราะความดึงดูดของโลกแม้เข็มเล่มหนึ่งมันก็ยังต้องดึงดูดต้องจมอยู่กับพื้นจะไปหาะลอยอยู่บนอากาศไม่ได้เพราะถูกโลกมันดึงดูดลงมา กเลมันสร้างพื้นฐานสร้างอำนาจสร้างความดึงดูดไว้ภายในใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันนี่คือฐานแห่งความดึงดูดฐานแห่งกำลังของกิเลสที่จะดึงดูดสัตว์โลกไม่ให้ประยชน์เยอะตัวขึ้นได้เลยไม่ว่าจะคิด อ่านใจตองทางใดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วถือมันดึงดู ด, ด, ด, ดหรือเหนียวรังเอาไว้จนได้อำนาจของมันดุมแรงแต่เราไม่ทราบว่าสิ่งดังนีนม้มีอำนาจเพราะยังไม่มีคู่แข่งมันมีอันเดียว เกิดมาก็ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เกิดความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวทุกอย่างอยู่ด้วยอำนาจแห่งความดึงดูดของกิเลสทั้งหมดไม่มีสิ่งใดมามีอำนาจดึงดูดแฝงกันเข้ามาหรือเป็นคู่แข่งกันกับสิ่งที่กล่าวนี่เลยสิ่งนี้จึงมีอำนาจทำหน้าที่แต่เพืเดียวอยู่ในหัวใจสัตว์โลก ทั้งที่สัตว์โลกก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องกดท่วงหรือกดขี่บังคับอยู่เวลานี้ไม่มีทางทราบได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกรายใดหรือขั้นใดภูมิใดรวมหมดทั้งสามแดนโลกขตานี้ ไม่มีผู้หนึ่งรายใดที่สามารถที่จะสามารถทราบความดึงดูด <c oughs> หรือกำลังของกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเกินกว่าสามันทนเราจะทราบได้ในความเป็นข้องมัน ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่แบวกว่ายมาตรัสรู้ในแดนแห่งมหาอำนาจของวัฏจักรนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและปราบธรรมชาติที่มีอำนาจกดท่วงจิตใจหรือดึงดูดจิตใจนี้ ให้หมดจิ้นไปจากประทไทยได้นำอุบายวิธีต่างๆทั้งฝ่ายโทษเพราะความกดขีบังคับของเิเรสทั้งฝ่ายคุณคือทำเครื่องชัละซักฟอกหรือปราบปรามเกเรตให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบโดยลำดับลำดาตั้งแต่ปฐมมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัท หรือสัตว์โลกทั่วไปอย่างกว้างขวางไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนั้นยังเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากมายเพราะเป็นธรรมชาติที่หายากเราคิดดูว่าสัตว์โลกทั้งสามทบนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดารายใด แวกว่าโดยลำทังตนเองให้หลุดพ้นจากมหาอำนาจแห่งวัฏจักรนี้ไปได้แม้แต่รายเดียวมีพระพุท ธ, ธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกแต่ทรงพยายามมาโดยลำดับลำดาจนวราระสุดท้ายดังพระพุท ธ, ธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่าง เทียงพระชาติปัจจุบันนี้พระองค์ทรงตะเกียบตะกายได้รับความทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรมีใครจะเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าได้ไม่ปรากฏเพราะการทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยา่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เจ้าอำนาจหรือมหาอำนาจมิยึดครองไว้แล้วอย่างเหนียวแน่น ไฟฟ้าประชาชีบริษัทบริวารสมบัติปัสตานที่อยู่ในความปกครองล้วนแล้วแต่ธรรมชาตินี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งพระชายากับพระราชโอรสยังเหนือสิ่งใดๆขึ้นไปอีกพระองค์เสด็จออกไปได้อย่างไรถ้าธรรมดาแล้วเป็นไปไม่ได้ เวลาเสด็จออกทรงพนวดแล้วตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกไปต <c oughs> ่รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสจนถึงขั้นสลบสลายจะเป็นแหล่จะตายแหล่แล้วก็ฟื้นพระองค์กลับคื้นได้จนปราบมหาอำนาจที่กดท่วงอยู่ภายในพระทัยให้สิ้นซากลงไป กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งองค์นี่ยากขนาดใดเพียงพระชาติปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครจะกล้าแข่งได้แล้วพูดถึงเรื่องความภาคเพียนความอดความทนความทุกข์ทรมานในการประกอบความภาคเพียรทุกประโยคนตั้งแต่สถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยสี่ไม่มีความสะดวกสบายใน พระกายและพระไทยของพระองค์เลยเหตุใดจึงทรงฝ่าฝืนมาได้นอกจากนั้นนั้นจะต้องเข้าห้ามหันกับมหาอํานาจซึ่งปกครองอยู่ภายในพระไทยมากี่กับนับไม่ถ้วนอีกด้วยแล้วการรบจะลบอะไการแก้การต่อสู้สู้อะไรที่เป็นของหนักแน่นเป็นของลําบากยากเย็นที่สุดยิ่งกว่าการ สู้การรบฟันหันแหลกกับกิเลสนี้ไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้คือธรรมชาตินี้เป็นเอกนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสละพระชนชีพลงจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาในขั้นต่อสู้ก็เพียงขั้นสลกพระองค์ไม่ตายแต่กิเลสตา ย, ตายเปลี้ยงไม่มีเหลือภายในตาไทย ได้อุบัติเป็นตถาจดาเอกขึ้นมาในโลกท่ากลางแห่งวัตจักรซึ่งหมุนอยู่รอบตัวพระองค์เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้อัศจรรย์เหนือโลกแล้วเราจะเห็นอะไรว่าประเสริฐยิ่งกว่านี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสลู และทรงแสดงวิธีการต่างๆทั้งการละและการบองเพงทั้งฝ่ายโทษและฝ่ายคุณให้ทราบแล้วแม้จะมีหูกี่ร้อยกี่พันหูก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดมีตากี่ร้อยกี่พันดวงมีจมูกมีลิ้นมีก า, กายกี่ร้อยกี่พันชิ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ทราบจะเอานำไปใช้กับสิ่งใดจึงจะเหมาะสม เมื่อไม่มีผู้ชี้แจงแสดงบอกในทางผิดทางถูกแล้วกายวาจาใจหรือตาหูจมูกเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายอันใด น, นี่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้หมดให้รู้การใช้ประโยชน์จากทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจของคนไม่มีผู้ใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการที่จะชี้แจงแสดงบอก เครื่องช้คือเครื่องมือของตนให้เกิดประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นโทษก็ทรงสั่งสอนให้หากห้ามตัวเองและทรงสั่งสอนห้ามไม่ให้ทำสิง่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์นับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งประโยชน์หรือประโยชน์เป็นพื้นๆจกนกระทั่งถึงประโยชน์พระมหาศาลก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงชี้แจงแสดงทุกแง่ทุกมุม โดยสวะขาธรรมตราดไว้ชอบไม่มีผิดมีพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยเลยในบรรดาศาสนาธรรมทั้งหมดและยังเป็นนิยานิกธรรมเมื่อประพฤติธปฏิบัติตามพระอาวตาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้า ม่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี่เราจะเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉนาดเนื้อโลกขนาดใดโดยลำพังเราที่เกิดขึ้นมาจะสมบูรณ์ด้วยตาหจูจมูกลิ้นกายใจก็ตามมันก็สมบูรณ์อยู่ด้วยวัตจักรอยู่ด้วยความโง่เขลา มืดบอดให้กิเลสครอบจนมืดมิดปิดตาทั้งทั้งที่มีตาก็ใช้ไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้มีหูก็ฟังเพื่อกิเลสมีตาก็ดูเพื่อกิเลสจมูกลิ้นกายใจเพื่อกิเลสทั้งหมดไม่ได้มีเพื่ออัดเพื่อทําถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนให้รู้จักวิธีใช้ในอจตนะหรือเครื่องมือเหล่านี้แล้วทีนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาแล้วในตาหรับตําลาก็เคยได้ เรียนได้อ่านจดจํามาได้มากมายเนี่จะควรทําอย่างไรกับตนเองที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนมาแล้วเราจะมมีทางเดินเลยนี่ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนี้ ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนั่นเราจะเห็นว่าผู้ใดเป็นผู้สามารถใครเป็นผู้สามารถผู้นั้นก็เป็นผู้หลุ ด, ลดพ้นไปได้ถ้าเราไม่สามารถเราก็หาทางหลุดพ้นไปได้ตายจมอยู่ในวัฏวนนี้โดยไม่มีการมีเวลามานับอ่านเลยเรียกวอนันตการหาระหว่างไม่ได้หาความสิ้สุดยุติไม่ได้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักร ซึ่งหมุนอยู่ภายในจิตนี้ <c oughs> นเมือนจะพราะจารยิ่งเราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันใดเป็นสำคัญของนักบวชก็คือมีหน้าที่ปฏิบัติปริยัติได้ศึกษามาแล้วพอสมควรจากอุปชาอาจารย์และเรียนมาตามตำหรับตำราท่านชี้ช่องบอกทางให้ทุกแน่ทุกมุมแล้วนำมาเพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภในใจของตน ด้วยความอุตส่าห์พยายามความขายันหมั่นเพียรนี่จึงจะเป็นการถูกต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ดำเนินมาแล้วนี่คือทางเบิกทางถากฐางกิเลสซึ่งเป็นตัวภายพนันในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับคือการปฏิบัติตามสับสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกพัฒนาชนพัฒนาการ อะไรเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างยิ่งก็คือใจพัฒนาจิตเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการพั ฒ, พฒนาใดๆทั้งสิ้นหากไม่ได้พัฒนาจิตแล้วสิ่งภายนอกจะรู้ระสง่างามขนาดใดก็าตามมันก็สักว่าเป็นแร่ธาตุเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นถนนหุนทางไปเพียงเท่านั้นผู้ที่จะครองสิ่งเหล่านี้ก็คือผู้ที่มี ไฟเผาฝัานอยู่ภายในหัวใจของตนตลอดเวลาจะหาความสุขความเจเริญมาจากที่ไหนความสุขความเจริญต้องหมายถึงจิตใจเป็นอันดับแรกความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการไปมาหาสู่ด้วยความสะดวกสบายเป็นอันดับต่อไปแต่พออย่างยิ่งคือการพัฒนาจิตใจเป็นของสาคัญมากดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายมาก่อนก็คือการพัฒนาจิตใจเมื่อพัฒนาจิตใจให้ดีแล้วสิ่งภายนอกย่อมกลายเป็นของดีงามไปตามๆกัน แล้วมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้พัฒนาได้โดยสมบูรณ์หากปราศจากการพัฒนาจิตแล้วซ้ายจะไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในโลกนี้เพราะจิตเป็นผู้เป็นตัวหมุนตัวรับสุขรับทุกข์รับความเสื่อมความจเจริญรับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมากก็่าโตกระเทือนตลอดเวลาถ้าความรับข้อของจิตไม่มีสิ่งนั้นจะกลายเป็นภัยทั้งทั้งมวลบรรดาที่มาสัมผัสหากจิตได้รับการ พัฒนาตนพอสมควรและพัฒนาให้มีหลักปีเกณฑ์จนกระทั่งถึงเป็นพัฒนาขั้นสุดยอดถึงความบริสุทธิ์วิมุตต์หลุดพ้นภายใจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นการพัฒนาแนะนําสั่งสอนใครก็เป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงล้วนๆเพราะออกมาจากใจซึ่งเป็นของจริงล้วนๆตั้งตัวได้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยฉะนั้นการพัฒนาจิตจิตเป็นของสําคัญ ถูกอลไยห่มห่ อ, หอถูกอะไรเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกขณะจิตคิดปรุงออกเรื่องใดมีตั้งแต่เรื่องปืนเรื่องไฟเรื่องกิเลสตัณหาราคะความวโมโหโทโสความโลภความโกความหลงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปืนเป็นไฟอันออกมาจากเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากไม่แก้ไขดัดแปลงไม่ทำล้างล้างสิ่งเหล่านี้จะจัดว่าเป็นการพัฒนาจิตใจได้อย่างไรก็เป็นการพัฒนากิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำํำดับเท่านั้น แล้วหาผลประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นความอบอุ่นชื่นใจภ า, ายในตัวของเราเองทั้งเวลาเป็นอยู่และตายไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เวลานี้จึงควรสร้างหลักเกณฑ์เสียตั้งแต่บัดนี้แต่เพราะยังยิ่งนักบวชเป็นผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างหลักฐานมั่นคงให้แก่จิตใจของตนเรียกว่าเรือนใจเริ่มตั้งแต่ศีลให้มีความบริสุดธิ์าได้ให้ตําหนิดตนมาก ศีลดังางพ้อศีนในบริสุทธิ์ด้วยเจตนาและในขณะเดียวกันต้องมีความระมัดระวังเสมออย่าให้ศีนได้ด่งางพ้อหรือขาดะู้ไปเพราะความเผลอความไม่มีสติสตัต้องรักษาจากนั้นก็เริ่มทางสมาธิจิตไม่มีความตั้งมั่นจิดบวบแวกคลอนแคลนเพราะอะไรก็เพราะกิเลสทําให้บวบแวกคลอนแคลนกิเลสให้ตั้งตัวไม่ได้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าทิ่จิตตั้งตัวเข้าสู่ความทั้งบไปได้เพราะข่าศึก มันควรอยู่ตลอดเวลาความคิดความทรุงแต่ละเรื่องละราวมีร่วงแ้ตั้งแต่เป็นปืนเป็นไปออกมาจากสมุทัยแดนแห่งทุกทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องได้ต่อสู้กันหนักก็ตามเบาก็ตามการต่อสู้ต้องไม่คำนึงถึงความหนักเบานอกจากความชนะให้สมความมุ่งมั่นของตนเท่านั้นนักก็ต้องต่อสู้ในขณะนั้นเช่นเดียวกันนักมวยก็ต่อกันบนเวที ไม่มาคำนึงถึงเรื่องความหนักไปเบาไปความเมื่อหิวอ่อนเพียวมุ่งแต่ที่จะให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าสื่อพันในจิตใจก็ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นความทุกข์ความยากความลาบากในการต่อสู้ต้องถือเช่นเดียวกับนักมวยก็ต่อสู้กันบนเวทีเวลาเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อหิวอ่อนเพียอะไรค่อยปฏิบัติบํารุงหรือรักษากันพักผ่อนดอดตัวกันได้ไม่ยาก สิงนี้ในขณะที่ต่อสู้ต้องเอาจริงเอาจาั <c> ่ง <oughs> ข้าศึกอยู่รอบด้านฝังจมอยู่ภาณในจิตอยู่ด้วยแสดงออกมาอันใดจึงเป็นลวดลายของข้าศึกทั้งมวลลวดลายแห่งทํามไม่ปรากฏเลยเราจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้ที่ไหนลงที่จุดไหนเป็นจุดสำคัญก็ลงที่ใจเพราะใจเป็นกองฟืนกองไฟราคัินา ไฟคือความกำหนัดยินดีโทษสักินนาไฟคือความโทษความโกรธความโมโหโทโสโมหกินนาคือความร่มหนงหนุงง่ายทั้งจมพากิจนี่เหล่านี้ล้วนตั้งแต่ความปืนความไปใจร้อนก็ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อนเพราะทำอะไรร้อนเพราะกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิริยะธรรมขันติธรรมความภาคเพียรความอดความทนสติธรรมความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาธรรมคือความรอบตัว ในความคิดความปรุงของตนสิ่งความคิดใดที่เป็นไผ่ความคิดใดที่เป็นคุณพิจิตพิจารณาไก่กรองละตัดฟันหันแหลกกันออกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นท่านความเพียรทุกอุาบายบุของผู้เคลื่อนไหวทางด้านจิตใจแม้จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามเว้นต่นับเท่านั้นเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งหมดนี่คือ ค, คือท่าต่อสู้เป็นอย่างนี้เจียตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดหรือทรมานได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดให้มีได้ทั้งนั้นท่านจึงสอนให้บําเพ็ญให้เกิดให้มีโดยลําดับลำดาบจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ท่านจึงสอนอยู่ในฐานะที่ควรเป็นแต่ได้ทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านไม่สอนในสวขาธรรมทั้งมวลเป็นฐานะทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นอาถรนะคือเป็นไปไม่ได้คือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ท่านเป็นไปได้แล้วสาบทุกทุกองค์เป็นไปได้แล้วทั้งนั้นธรรมนี้จึงทําจึงเป็นธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เป็นไปได้แล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเหตุใดเรานํามาขึ้นปฏิบัติยังเป็นของไม่มีไมม่ีน้ํำยาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเมื่อเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วก็กลายเป็น ทำไม่มีน้ำํำยาเพราะอะไรเพราะถูกกิเลสตีเอาแหลกกลายเป็นคนไม่มีน้ำํำยาความเพียรก็เซ่อเซอซาซไม่มีสติสตังเป็นเครื่องเครื่องระมัด ร, ระวังจิตใจเลยใจจะหาความสงบได้ที่ไหนถ้ากสงบด้วยอํานาจของกิเลสเบิดไม่ต้องบังคับบัญชาคนเราก็มีสมาธิด้วยกันทุกคนแต่นี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองมันทําลายมันยุ่ยหยบกว่าควรถ้าเป็นน้ําก็หาเวลาสงบ ใส่ไม่ได้มีแต่ขุ่นเป็นตมเป็นโคนเพราะการรบกวนด้วยก่อควาของจิเลสนี่เราจะพยายามไกรปองจิจักของเราให้มีความสงบด้วยสมาธิท่านผู้ใดเคยใช้ทําบทใดในขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติเห็นว่าถูกเจริญนิสัยของตนก็พึงนําทําบทนั้นมาใช้มาบริกรรมอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความมีสติให้ถือว่าในโลกนี้ไม่มีอันใด มีเฉพาะ ง, งานที่กําลังทําและรับรู้กันอยู่นี้เท่านั้นเห็นบริกรรมคําใดก็ต า, ามเช่นพุทโธพุโทโธในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่พุโทโธอันเดียวที่สัมผัสสัมพันธ์นกันกับใจอยู่นี้เท่านั้นไม่สนใจกับสิ่งใดความสนความคิดกับสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีการนั้นเป็นอย่างนั้นการนี้เป็นอย่างนี้สถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นนี่ล้วนแล้วตัณฑ์จิตแสดงตัวออกไปไ ด, ด้วยความเพลิดเพลิไม่คํานึงถึงงานทาั้งตนไม่สนใจกับมาทาั้งตนจึงทําให้เรื่องารอาวมันวุ่นวายไปตลอดทั้งทั้งที่จะทำให กายเป็นความลอยลมไปก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่ไปคิดว่าภาพอันนั้นภาพอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก้อควรตัวเองฉะนั้นจริงให้มีอันเดียวเท่านั้นเป็นความถูกต้องเหมาะสมที่จะยังจิตให้เป็นสมาธิได้โดยถูกต้องไม่สงสยัยคือให้มีอันเดียวแล้วกําหนดลมอนาปานสิคุลมหายใจเข้าออกก็หมดตั้งแต่ายโลกธาตุเข้ามาสู่วงแห่งกาทั้งเรา ไม่มีอะไรปรากฏแต่ลมกับความรู้ที่สัมผัสกันเท่านั้นให้มีเท่านั้นในความรู้สึกนั่นแลคือพูดตั้งหน้าต่างตาทางานในวงปัจจุบันลมจะละเอียดลงไปลงไปโดยลํำดับเมื่อมีสติคอยจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนเพราะได้รับการควบคุมจิตย่อมจะอย่างตัวเข้าสู่ความสงบปกติของจิตอยากสงบตัวอยู่แล้วแต่เพราะอํานาจของกิเลสมันถุดมันลาบมันถากมันฝัน ให้หาความสงบตัวไม่ได้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเจ้าของคืออะไรคือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรล้มเหลวไปหมดอจิตได้รับความทุกข์ความร้อนแทบจะเป็นจะตายเรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงหาความสงบไม่ได้ภายในจิตนี้ให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้แล้วพยายามทําดังที่กล่าวมานี้จิตจะ เหนืออำนาจของสติไปไม่ได้ต้องอยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วเราจะเห็นทั้งคุณคุณแห่งความสงบของจิตและเห็นทั้งโทษแห่งความพุ่งสร้างวุ่นวายที่ยังไม่สงบแต่ก่อนอพร่อมผ้ามกันไปในขณะนั้นแล้วจะอย่างความเชื่อลงในผลที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นและจะาอย่างความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผ่านไปแล้วแล้วความเพียรก็จะหนักแน่นขึ้นโดยลําดับลําดาษ สมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อในตำหักตำราจะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัวด้วยอำนาจแห่งสมาธิภาวนาของเราที่รักษาด้วยดีนี่แหละนี่สมาธิฐานที่เกิดที่อยู่ที่เป็นสมาธิคือใจไม่ใช่ที่ไหนฐานที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือจิตฐานที่อยู่แห่ง กิเลสตัณหาสัว่าแห่งวัตจักรวัตจิตื่อยู่ที่จิตชำระสิ่งที่เป็นภัยที่ให้หมุนเย็นเกิดแก่เจิตายออกหมดโดยชิงชิงแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพานถามหาทำไมเวลาทุกเกิดขึ้นเราเยังไม่เห็นจะถามใครมันยังรู้ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆยังประจักษ์กับใจของเราใจอะไรจะไปรู้ยิ่งกว่าใจ ในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรรู้นอกจากจิตเท่านั้นเป็นผู้เฉลียวฉลนะเป็นผู้รู้รับทราบตลอดเวลาทีนี้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นใครจะไปถามว่านี่คืออะไรแมตร้ต่สัตว์ก็ยังร้องลั่นกระเทือนป่าไปหมดเพราะทุกข์เบียบเยียนเจ็บปวดทนอยู่ไม่ได้จึงต้องร้องร้องจน หมดลมหายใจจนตายไปนี่เขาไม่เห็นถามว่าทุกเป็นอย่างไรแล้วทุกที่เกิดภายในหัวใจของเราเพราะหนา้าที่เลสมันสร้างขึ้นมาทําไมเราจะไม่รู้จิดเป็นธรรมชาติที่รู้เท่านั้นมีหน้าที่ที่รู้โดยถ่ายเดียวทําไมจะไม่รู้ที <c oughs> นี้เมื่อชำระจิตที่เลสออกจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วทําไมจะไม่รู้ว่าทีเ่เลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วทุกสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วโดยประการทั้งปวงคําว่านิพพานังปรมามังสุ ข, ขังถามมาที่ไหน เมื่อจิตได้หลุดพ้นจากทุกขทั้งมวลเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาแล้วก็บรรรมสุขไม่ต้องถามก็เป็นขึ้นฟันภายใตัวเองนั่นแหละเพราะจิตพร้อมที่จะเป็นความสุขอยู่แล้วถ้าได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของพอประมาณและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของอย่างเต็มที่เต็มฐานจิตจะแสดงความแปลกผระาดอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นไปจักโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเลยในโลกทั้งสนี้พระพุทธเจ้าวิเศษก็วิเศษ เพจิตบริสุทธิ์ด้วยการชำระพระสงฆ์สาวกพิเศษที่เป็นสาร น, นาของพวกเราก็พิเศษเพราะได้รับการชำระด้วยอดด้วยธรรมโดยถูกต้องจริงที่เป็นสมมติทั้งมวลอันก่อให้เกิดเป็นข้าศึกอยู่มาแล้วไม่เล่าได้กระจายชิบหายไปหมดภายในใจนั่นท่านเหล่านี้องค์ไหนท่านถามหาในผ่านมีองค์ไหนมันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองคสุดท้าย ปรากฏในตระหลักกันลว่าองค์ไหนยังเมื่อถึงขั้นบิดมุดดูดพ้นไปแล้วยังต้องถามหานิพพานอีกมีองค์ไหนไม่เคยปรากฏนีแตบรรลุอรหัตผลอรหัตผลแล้วแล้วเท่านั้นเท่านั้นท่านไม่ไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหนอนิพพานเป็นยังไงถามมาอะไรเพราะมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นค่าสึกต่อความสุขอันเป็นที่พึงพอใจพอกิเลสได้สิ้นประจากใจแล้วเท่านั้นความสุขเป็นที่พึงหวังหรือ นิพพานังประมังสุขขังก็เป็นขึ้น น, นหนักสมาธิของตัวเองของตัวเองที่ใจดวงบริสุทธ์นั้นเท่า น, านั้นเอาลงตรงนี้ที่นักปฏิบัติทำให้ได้สมาธิถ้าจิตของเราหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าอะไรเราจะหวังอะไรเป็นความสุขนะในโลกนี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแร่ธาตุต่างๆเป็นแร่ธาตุต่างๆนั้นๆไม่ใช่ความสุขไม่ใช่สิ่งพึงหวัง ไม่ใช่สิ่งที่จะมาให้ความสุขความสบายความสมองแก่เรานอกจากจะแก้สิ่งที่เป็นข้าสึกอยู่ภายในใจของเราฝังจงอยู่ภายในใจเรานี้ออกให้หมดด้วยอดด้วยธรรมเท่านั้นเราจะเป็นที่พึงพอใจโดยลําดับไปตั้งแต่ขั้นสมาธิอสมาธิก็มีความละเอียดโดยลําดับลําดาตั้งแต่พื้นพื้นของสมาธิจนกระทั่งเป็นสมาธิอันละเอียดปัญญาก็เช่นเดียวกันธรรมะปัญญาปัญญาเป็นอย่างไร คืความเชี่ยวชาญความรอบรู้ท่านบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญานี่ท่านกล่าวไว้ในปริญัติสังขารมีสังขารประเภทใดบ้างสังขารภายนอกสังขารภายในคือสังขารที่ปรุงกับใจอยู่ตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าสังขารอันนี้เป็นสังขารที่สําคัญมากสังขารนี้เป็นสมุทัยสังขารภายนอกที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเช่นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสมุทัยถ้าเราม่เป็นหม้ไปยึด ไปถือให้เป็นความเข้าใจผิดของจิตที่เป็นตัวสมุทยัยนี่แล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสมุทยัยสิ่งนั้นจะไม่นํามา ซ, ซึ่งทุกข์แก่เรานอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้อุตริคิดไปในแง่ต่างๆสําคัญมั่นหมายผิดว่าถูกถูกว่าผิดไปแล้วก็รูปคําประจุมขีดจุดยึดเอาทั้งฝากทั้งน้ำทั้งฝืนทั้งไฟมาเผาลนตนเองนี้เท่านั้นไม่มีอะไรนีใจดวงเดียวนี้ปัญญาจึงต้องให้เข้าใจในสังขารความคิดความปรุงของตน ตัวนี้เราเป็นเจ้าเรื่องสัญญากับสังขานี่สําคัญมากอยู่โดยลําพังก็เป็นได้ส่วนวิญญาณยังอาศัยการรับทราบทางตรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็รับทราบเป็นระยะระยะแล้วสร้างมโนภาพเป็นสังขารเป็นสัญญาขึ้นมานั่นคือปัญญารู้รอบในกองสังขารมันคิดมันปรุมอะไรตีกระจายให้แตกที่ พระพุธจ้าสันตีแตกหมดด้วยปัญญาทําไมเอาปัญญามาแบกมาหาไม่ทสมัยหูต้มกินก็ไม่ได้ปัญญาไม่ใช่ฐานะที่จะไปหูต้มแกงกินเป็นฐานะในการใช้ด้วยความพินิพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวแต่พ่อย่างยิ่งเรื่องของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกกินกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดดีหรือชั่วผิดหรือถูกประการใดปัญญาพินิพิจน า, าเข้ามาให้เห็นชัดเจน เฉพาะยางยิ่งพาในร่างกายของเราดูให้ดีภูเขาทั้งลูกเรายังดูรอบเดินรอบทําไมร่างกายชิ้นเล็กๆเท่า น, น, นี้ดูไม่รอบเดินไม่รอบด้วยปัญญาเราจะแทงทะลุ ป, ปูปรุงสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่สร้างวัตจักรวัตจิตนี้ให้รู้รอบขอบคิดได้อย่างไรปัญญาต้องพิจารณาท่าน ร, รู้ปังอันนี้จังอะไรที่คงเส้นคงวาอยู่ภายในร่างกายนี้และนอกไปจากนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงประจําตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งใดขึ้นที่ว่าสมมุติแล้วต้องมีความเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่เป็นอยู่ภาณในใจิตกายและในใจของเรานี้เป็นอย่างไรเป็นของที่น่าชอบใจไหมน่าพึงหวังไหมเราดูสิอน้าตามีอะไรที่ว่าเป็นเราเป็นของเรา เราจึงไปยึดไปถือความยึดความถือนี่อะไรพาให้ยึดให้ถือถ้าไม่ใช่ตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากหลอกเราให้ยึดให้ถืออันใดเป็นของจริงกิเลสไม่ให้แตะแต่อะไรเป็นของปลอมกิเลสชอบเสกสรรปั้นย่อขึ้นมาหลอกลวงพวกเราให้ได้หลงไปตา่างอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นกีลังถาวร อ, อันนั้นเป็นจุกอันนั้นดีอันนี้เลิศอะไรมันเลิศ ด, ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันเอาความเลิศมาจากที่ไหน นอกจากความเฉื่อยสันปัญญ่อของจิตที่ออกมาจากกิเลสตัวหลอกทวงนี่เท่านั้นหลอกให้เป็นอย่างนั้นหลอกให้เป็นอย่างนี้ทําเป็นของจริงแท้ทแล้วนําแทรกลงไปที่ปัญญามันกีรังถาวรที่ตรงไหนหน้าสวยหน้า ง, งามหน้าน้ำหนักยินดีที่ตรงไหนแทรกลงไปตั้งแต่ผิวหนังนี่เข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในเท่าไรยิย่งเต็มไปของปฏิกูลโสโคกเต็มไปด้วยปราชาผีดิบอะไรมันสวยมันงามไม่มีแต่กิเลสมันหลอกโดยเฉยๆนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาปัญญา แทรกลงไปแทรกไปเราจะเห็นความจริงไปโดยลําดับลำดับเมื่อเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นลหนลายครั้งหลายหนมันจะทนได้หรือฟันแล้วฟันเล่าฟันหลายครั้งหลายหนมันก็ขาดกระจายไปจากกันเท่านั้นเองนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเมื่อสติปัญญาได้อย่างชารกลงไปถึงฐานแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้นแล้วอุปทานถอนตัวถอนตั ว, ตวการที่ยึดมั่นถือมั่นพ่อไม่เข้าใจเพราะไม่รู้เพราะสําคัญผิดถูกกิเลสหลอกลวงให้ยึดให้ถือมันก็ยึดกระถือ เมื่อเข้าใจแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงก็ถอนตัวออกมาได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณามีอยู่กับทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือฆรวาสพระ เ, เจ้าสอนทำเป็นกลางๆเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนำไปพินิตรพิจารณานี่แหละปัญญาถนาปญญาัปัญญาปัญญาขั้นยากก็คือพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ มีรูปกายเป็นต้นปัญญาขั้งกลางขั้นละเอียดลงไปก็คือนามขันธ์พวกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณแต่ยังไงก็ตามเจ้าพิจารณาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่จะมีเฉพาะนามขันธ์คือพวกเวทนาภานจิตสัญญาสังขานวิญญาณมันหักเป็นทั้งมันไปเองจนกระทั่งรู้รอบขอบคิด เช่นเดียวกับรู้ส่วนร่างกายนี้แล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งสีนี้จะมีได้อย่างไรเพราะปัญญาตีแตกกระจายไปหมดแล้วอคําว่าสักว่บุคค ล, ลว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขาถูกปัญญาทําลายไปหมดแล้วมันก็มีจะศักแต่ว่าเป็นความจริงความจริงแต่และอย่างลูป ก, ก็สักแต่ว่าเป็นความจริงเวทน า, าสักว่าเป็นความจริงสัญญาสังขารวิญญานแต่ละอย่างทักอย่างชักว่เป็นความจริงประจําตนอยู่เท่านั้ น, นเมื่อความสําคัญมั่นหมายที่จะให้ยึดให้ถือถูกปัญญา ทำลายแต่กระจายไปหมดแล้วมันจะสําคัญอะไรแล้วก็มีอะไรจะสําคัญมีการพิจารณาพิจารณาซ้ำซ้ำซากซากหลายครั้งหลายหนต่อหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจแล้วย่อมปล่อยเองวางอืเราจะบังคับให้ปล่อยให้วางนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อไม่พอเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารที่ไม่ถึงไม่ควรจะการจะควรอิ่มแล้วมันก็ไม่อิม่มรับทานช้อนหนึ่งสองช้อนใช้อิม่มเป็นไปไม่ได้ต้องรับทานเรื่อยไป เมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วหยุดเองพอเองนี่การพิจารณาก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นดูรอบขอบคิดแล้วปล่อยวางเองทั้งอุปทานในรูปประขันทั้งอุปทานในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเข้าไปโดยลําดับลำดับจนกระทั่งแทงทะลุไปถึงจิตอันเป็นตัววัฏจักรวัฏจักรวัฏจิ ต, จตจโดยแท้นั้นด้วยปัญญาจนขาดประเด็นไปหมดไม่มีอะไรผายเหลือแล้ว นั่นแหละที่นี่หมดปัญหาในเรื่องการสู้การรบฟันหันแหลกกับที่เหลือไปยุติกันที่ตรงนั้นนี่คาว่านิพนิพานอยากไปนิพานอยากไปนิพานก็หมดความอยากที่ตรงนั้นความอยากไปนิพานก็เป็นมากไม่ใช่เป็นปัญหา อ, อยากค้นทุกเป็นมากไม่ใช่เป็นตัญหา ความอยากมีสองประเภทอยากเป็นโลกอยากเป็นธรรมอยากเป็นตัญหาอยากเป็นธรรมอยากเป็นมากเฮ้นความอยากหลุดพ้นจากทุกความอยากไปนิพพานสร้างกำลังทางด้านอาจด้านธรรมขึ้นให้มากภายในตนเองความอุตสาห์เขาเป็นเป็นมากความเพียรเป็นมากอดความทนเป็นมากความบึกบืนทุกแง่ทุกุมเพื่อความพ้นทุกเป็นมากทั้งหมดเมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แล้วความอยากก็หายไป นี่ใครจะไปถามอานิพานที่ไหนทําลายตัววัฏจักรวัฏจิตนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีองค์ใดบรรดาผู้ที่ทําลายวัฏจักรวัฏ จ, จิตนี้ให้ขาดกระเด็นไปแล้วจะถามมาพระนิพานอยู่ที่ไหนนั้นไม่มีแม้รายเดียว <c oughs> คำว่านิพานนิพานก็คือชื่ออันหนึ่งเท่านั้นหลักธรรมชาติที่แท้จริงก็ได้เห็นอยู่รู้อยู่ภายในตัวเองคล่องอยู่แล้วสงสัยไปไหนนี่แหละการพัฒนาจิต พัฒนาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแห่งการพัฒนาจิตอา้าวที่นี่ไปไหนก็อยู่ไหนก็อยู่เถอะอืดูอย่างพอตัวหยิดสร้างความพอตัวให้ตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนสบายท้งนั้นเรื่องทาตเรื่องขันได้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหวัวตัวร้อนหิวกระหายก็ทราบตามเรื่องของทาตุของขันซึ่งอยู่ในกฎแห่งอณิจังทุกหน้าตาย่อมมีความพิดแปลงเปลี่ยนแปลงไ ป, ง ป, งปตามสภาพของมันอยู่เสมอแต่ไม่หลง ขันเป็นขันจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับบันค่ะเมื่อถึงขั้นเป็นจริงโดยสมบูรณ์ทุกแง่แล้วอะไรก็เป็นจริงทั้งนั้นไม่ตำหนิไม่ติไม่ชมเพราะต่างอันต่างจิงเอามากระทบกันทําไมอันหนึ่งจริงอันหนึ่งไม่จริงนะพีมันได้กระทบกันได้โรคกันอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งปลอมอันหนึ่งจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาพิจารณาจิตให้มันถึงขั้นนั้นเลย มันถึงต่างอันต่างจริงจะถ้าภูตั้งแงาน้ำสนั่งจิตรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งภายนอกภายในตลอดทั่วถึงแล้วอยู่อยู่ด้วยความบริสุทธิ์จะว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์คิดอะไรก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเท่านั้นเที่ว่าเป็นขันรุนรว่นไม่มีกิเลส ต, ตัวใดมาเป็นเจ้าของบงการเรื่องความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆมีแต่ขันรุนรุ่นขันไม่มีกิเลส ก็คือขันของท่านผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองหรือผู้สิทธที่สิ้นชีวิตแล้วนั่นแหละดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรูปก็สักแต่ว่ารูปเวญนาสัญญาสังขารนิยามก็สักแต่อาการแต่และอย่างละอย่างใช้ไปพอถึงการถึงเวลาของมันเท่านั้นเมื่อหมดกําลังที่จะเป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันธรรมชาติที่จริงเต็มส่วนแห่งความรู้สึกของตัวแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอาจจะเรียกว่าต่างอันต่างกันการพัฒนาจิตเอาให้กิงให้จังเวลานี้ถูกกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงอยู่ตลอดเวลานอนก็จมไปด้วยกิเลสมันดึงดูดลุกไม่ขึ้นนะ่ะเต็ดกำหมอนกนะิเลสดูดให้ติดกำหมอนนั่งภาวนาก็ลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ กิเลสมันดูดไว้ให้นั่งไม่ได้ถ้านั่งก็สับประงกงกงันมันจับหัวฟัดหัวแฝงตีน้นตีนี่นี่แต่กิเลสมันเอาทั้งนั้นแหละเรายังไม่ทราบีเลยว่าเราเสียเปรียกกิเลสเดินจงกลมก็เดินไปเดินมาเหมือนกับเศษพระเศษธรรมาฐานหาสติสตังที่จะประคองความเพียรรักษาตัวไม่กิเลสแสดงตัวขึ้นมาต่อสู้เท่านั้นก็ไม่ได้ไเราจะหวั ง, งความสุขความจเจริญที่ไหน อาการใดที่ประกอบความภาคเพียนมันมีแต่กิริยาพูดทํางานจริงๆมีแต่เรื่องของกิเลสความเผลอเลยความไม่เอาไหนความไม่ฉลาดความโง่เขลาต่อความคิดความตุงของตนให้กิเลสมันฉุดลากไปไม่ทราบว่ากี่ทวีตสามแดนโลกธาตุซึ่งไม่เคยเห็นกิตมันก็หลอกไปให้เห็นไปรู้ไปหมดรู้ด้วยอารมณ์ของตัวเองวาดภาพหลอกตัวเองไปเรายังไม่เรายังยอมเชื่อลงไปอยู่หรือกิเลสหลอกคนหลอกขนาดไหน ทำเป็นของจริงควรจะเชื่อทําไมไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อความเพียรใชเชื่อทำบุรีเจ้าความเพียรย่อมเข้มแข็งคนเราสติสตังร่ำดีปัญญาย่ำเกิดถ้าเชื่อธรรมแต่เชื่อกิเลสนี่มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละนั่งภาวนากระสรับประงกหงันได้นาทีสองนาทีก็เหมือนจะลม้มจะตายควรคางไปละห้จมอยู่กับหมอนนั้นทําไม่หิวข้าวแล้วไม่ตื่นนั่นเห็นไหมกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงมันบีบบังคับ จนกระทัง่งกระดิตัวหาความเปี่ยนไม่ได้เรายังว่าเราดีอยู่เหรอนะักปฏิบัติไม่คิดเรื่องเหล่านี้จะคิดเรื่องอะไรต่อสู้กิเลสต้องต่อสู้อย่างนี้ที่อุบายเหล่านี้เป็นอุบางกิเลสทั้งมวลอา้าวถ้าท่านทั้งหลายอยากทราบให้เร่งลงไปสติมีเอาผิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาบำรุงให้ดีปัญญาหละมีหลายขั้นหลายภูมิที่ท่านแสดงไว้นะใ น, ในอัดในธรรมจนกระทั่ ง, งถึงมหาสติมหาปัญญาจะไม่พ้นจากกิจ ด, ดวงที่ได้รับบำรุงอยู่นี้เลย จะไม่พ้นจากปัญญาตดวงที่คิดที่คนพินิษพิจารณาอยู่นี้จนมีความช่ำชองไปได้นี่เลยจะปรากฏขึ้นมาทั้งกติปัญญาธรรมดาทั้งมหาสติมหาปัญญาจนถึงขั้นิีมุตดดุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากจิตรงนี้เลยเอาให้จริงนะั่งปฏิบัติเราจมอยู่ในวะตะสงสารนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความเกิดจกเจริตายที่แบกหามทุกไปทุกพบทุกชาตทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้นหาความสุขที่ไหนไว้ใจได้ที่ใดได้เมื่อไหร่ ความหวังเราจะสร้างที่ไหนถ้าไม่สร้างขึ้นตินเอาตรงนี้นีสร้างความหวังให้มันได้เต็มภูมิภายในจิตใจความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งมวลทั้งบ่วงนี่เท่า น, านั้นเป็นความประเสรเิฐเลอโลกโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมาเสกสรรกันเรื่องความประเสริฐเพราะกิเลสมันเสกสรรนั้นมันไม่ได้วิเศษอะไรแหละว่ากันไปอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเรา เพราะมันม awesome, ีแต่ความรู้ประเภทเดียวกันมีแต่ความรู้ประเภทหลอกตนเองแล้วก็ไปหลอกคนอื่นหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ไอ้คนโง่มันหลอกง่ายๆนี่ใช่ว่าไงมนุษย์เราสัตว์เราถัตเรามันโง่จะตายแต่ีิเ็ดจะไม่หลอกได้ง่ายๆไงมันหลอกยังไงก็เชื่อมันทั้งนั้นเชื่อมันมาตั้งกับตั้งกันยังไม่เห็นโทษของมันเลยถ้าอยากจะเห็นโทษของมันให้สร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียนขึ้นให้ดีแล้วจะตามเห็นง่ายงอนของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงมาประเภทใดๆก็ตามจ้ะ เข้าใจโดยลำดับกตาแล้วแก้กันได้ตบเครื่องกันได้ฆ่ากันได้ไปเป็นลำดับจกนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสูตก็ตามฆ่ากันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในที่เดชอ้าวที่นี้ไปอยู่ในหัวใจดวงใดทำไมมันจะไม่รู้ที่เดชประเภทเหล่านี้มันเคยครองหัวใจเรามานานแล้วได้ถูกทําลายกไปจากใจเนี้ยมันอยู่ในหัวใจเราทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเพลงขอ ง, งขรธรรมที่เดชอยู่ไหนรู้หมดเพราะได้ทำลายนไปแล้วเบื่อนมน่าทำนี้ลงสร้างจิตนี้ให้ดีพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์นี่แหละความเลื่ความพัสดุ์อยู่ตรงนี้ กุศลาธรรมะกุศลาธรรมะท่านสอนให้คนฉลาดสอนให้พระฉลาดในเวลาที่ประพฤ่อปฏิบัติตัวอยู่นี้เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้กุศลธรรมะเวลาตายแล้วมันไปหวังผลประโยชน์อะไรในกุศลธรรมะสำหรับบุคคลที่ตายแล้ว น, นั้นในเวลามีชีวิตอยู่นี้ยังไม่ฉลาดแล้วเราเอาความฉลาดไปจากกุศลธรรมะได้ยังไงกุศลาธรรมะที่ท่านสอนนะเขาก็จะยัง ส, e> สอนให้ฉลาดที่ตรงนี้เอาให้จริงให้จังเลยแล้วปฏิบัติ ที่พูดตะกีนี่สมาธิปัญญาไม่ต้องพูดดิมุตก็ได้ถ้าลงปัญญาเกลียงกายเต็มที่ขัมมะมหาสติมหาปัญญานั่นก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินั่นเองหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเว้นต่หลับเท่านั้นเป็นในหลักธรรมชาติตัวเองเพราะความสามารถความแก่กล้าของตัวเองของสติปัญญาที่ได้ฝึกมาอย่างเกลียงกายแล้วนั่นถึง ม, มหาสติมหาปัญญานี่เลยละเอียดขนาดไหนตามทันหมดจนกระทั่งไม่มี เชื่องที่เหลืออยู่เลยนั่นแหละสติปัญญานี้จึงจะหมดหน้าที่ไปจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติท่านเป็นมหาปัญญาท่านก็ไม่ได้ว่าท่านพูดถึงที่ถึงฐานพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วท้าไม่ได้สําคัญตนท่านว่าท่านวิเศษท่านเลวกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นแม้สัตว์ดิบดิษฐนจะตัวเล็กตัวไหนก็ตามท่านไม่ประมาทท่านถือเป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็ดเจ็ดตาด้วยกันทั้งนั้นเพราะทําเป็นของอ่อนโยนเมื่ออยู่ในจิตดวงในจิตดวงนั้นย่อมอ่อนนิ่มไปหมด เข้าได้ทุกเม็ดินเม็ทายเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทไม่มีความว่าแข็งกระด้างนอกจากที่เลืเท่านั้นมันเป็นตัวแข็งกระด้างตัวที่ถีมานนะตัวเยอหยิ่งจองหองก็คือกี่เหลืถ้าทำแล้วไม่มีอ้ามันถึงขีดถึงแดนใช่ดูสูงหน่อยแล้วเอาแล้วแค่นี้กันไปกับผู้ไม่สนใจมันก็เหมือนอย่างนิทานไก่แจ้อ น, นิทานอีศพตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเราเคยเรียน แต่ก็จำได้ถึงก็ร่างทุก ว, วัว น, นี้จำคิดมันจะจําได้ จ, จดําได้ของมันเองว่าไก่แก้ตัวหนึ่งคู้เกี่ยหาอาหารแต่พบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากถึงร้องไปเพยขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าของของของเจ้ามาพบเจ้าข้อชนนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหอแหวนตามเดิมตอนนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเราสู้เข้าสู่เก้าสามเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่า มาแล้วก็คุยเขียยเลยไปในแปลงเงินอื่นที่สรุปความว่นี่ทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านันของจะดีมีย่ยอมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นนัในศาสนาธรรมนี่ก็เกี่ยวกับเพชรกระพลแม้จะยิ่งกว่านั้นเราก็เป็นข้อเทียบเทียงกันแล้วพวกเรานี่ยพวกไข่แก้ทั้งนั้นคุยเขีย่ยไปหานั้นหานี่ออันนั้นดีอันนั้นดี อ, นนดอนนดคุยเขียยไป โรภก็ดีโกโรธก็ดีหลงก็ดีรักก็ดีชังก็ดีตาดำตาแดงก็ดีทุกจนอยู่ไม่ได้นอนไม่หนับจะเป็นจะตายก็ดีน่ะมันคุ้ยเขี่ยไปอย่างนั้นที่นี่มันเป็นประโยชน์อะไรฟังทีเพราะันต้องเอาพเพลทพลอยให้ได้นี่ยาคุ้ยเขี่ยไปในแปลงของกิเลส วิเดีมันตักเสียบไว้หมดเปนกว่าเป็นน้ําเป็นฟืนเป็นสารอบตัวให้รู้ถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศาสนาถือตามหลักทางบุรุเจ้าหลักธรรมนี่แหละจะเป็นผู้ที่ชี้ช่องบอกทางอะไรเป็นพิดเป็นภยัยจะสองให้รู้หมดไม่มีอะไรเกินทำแต่พาะอย่างยิ่งสติธรรมปัญญาธรรมเอาให้ดีจะไม่พ้นจากนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ ต, ตรัสรู้ด้วยนี่เป็นหลักสําคัญ นั่นเป็นเครื่องสนับสนุนอันนี้เป็นเครื่องมือทํางานจริงๆพระสติปัญญา น, นั้นเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีพลังเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามามันปักเสียบไว้ตรงไหนมันหลอกลวงไปตรงไหนว่าอันนั้นอันไหนดีเอาสติปัญญาแทรกเข้าไปดีดีจริงๆเหรือพิจารณาใค่ควรชัดเจนกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้น ถ้ามันเห็นชัดโดยปัญญาแล้วมันจะทราบทีนี่อะไรจริงไม่จริงอะไรปลอมรู้อย่างนั้นนี่นกักปฏิบัติรู้หมายว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแถ่งพระพนิพพานมีการสถานที่เมื่อไหร่อยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้สนใจฝ่ธรรมและปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นไม่อยู่กับที่ไนไหนไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ว่านี้ ผูสนใจฝ่ายทําปฏิบัติธรรมมีความจงรักภักดีต่ออัดต่อธรรมไม่ข้ามเกินไม่ฝ่าฝืนไม่ปีนเกลียวกับธรรมซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความปีนเกลียวกับธรรมเพราะกิเลสเป็นค่าเสียกับธรรมเป็นมารของธรรมก็คือกิเลสนั่นแหละลบล้างธรรมอยู่เสมอลบล้างอยู่ภายในใจของเราเนี่ยแหละอย่าไปคิดนอกๆ อ, อันนั้นมันอยากไปให้ดูตัวตวของเราเนี่ยกิเลส ตัวมารมันอยู่กับใจเราเนี่ยเราว่าเราเราปฏิบัติทำปฏิบัติทำแต่ความจริงมันจริงปฏิบัติกับกับกิเลสต่างหากทัศติปัญญาไม่ทันก็ไม่รู้เอาให้รู้นี่ที่ว่านี่จำให้ดีนะคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดเป็นโมคาหรือเป็นคําพูดออกมาจากความจริงเมื่อทราบตัวของแล้วก็จะย้อนมาทราบอันนี้เองเพชรอรอยู่ที่ไหนใจดวงนี้แหละ กิเลสมันกบหมดมันมันออกหน้าร้านไปเสียอือเพชทอยเลยออกหน้าร้านไม่ได้มีแต่กิเลสมันออกหน้าร้านไปหมดในหัวใจของเราอือวันนี้พปุท่านั้น